มีคนคนอื่นเขาเคยได้ไฟมาจากสิ่งต่างๆแล้วนั่นแต่เ้ามาบอกคุณว่าไฟอยู่ที่นี่อยู่ที่ไม่ไฟแห้งนี่ยอยู่ที่นี่จะทำาไงครับถึงจะเห็นมันต้องเอาไม้ไฟสองสี่นี่มาสีกันอย่าหยุดเยอะก็เกิดไฟขึ้นมาตรงนั้นน่ะไฟอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็เชื่อออไฟมันอยู่ตรงนี้เราก็มาทำ อเอาไม่ไผ่สองที้มาสีทั้งสองไปอทําไปท่ามันเหนื่อยเนื้อมันเห น, นื่อยความขีดขีดมันก็มีเห็นไห ม, มไม่ไายเนึ่ยกาลังจะพอละนอนหนึ่งขีดขีดไฟไมันมีเราทิ้งมันไปอย่างนี้ก็ไปประกาศว่าไฟในที่นี่ไม่มีไฟในที่นี่ไม่มี่อันนี้เราก็หลงผิดอย่างนั้น ความเป็นจริงนั้นเนี่ยไฟมีอยู่ที่นั่นเมื่อเราทําความร้อนไม่สมดุลกันไฟก็ไม่เกิดอันนี้เราต้องเข้าข้างตัวเราไม่พูดหาความจริงถ่ายวัลลุศาหทําไปเรื่อยๆมีขันติมียิรยะมีความเพียรเอาไม้ไผสีกันไปจนมันควานเกินเป็นไฟมันก็เป็นไฟได้จริงๆครับอันนี้เราปฏิบัติไม่ถึงมันก็ไม่มีไฟแระตัดไปถึงว่าไม่มีไฟเลยตรงนี่ย ไอ้ความเพียรเราไม่พอเราไม่ถี่เชนแบบพะไทยก็เหมือนกันพระสระงค์กวเหมือนกันอยู่ไปอยู่ไปแล้วก็บางทีก็ฝีขันดอกไม้มาลงพ่อลาศึกษาแล้วลาศิษฐ์นะไมหมดความเพียรแล้วพูดอย่างไม่อายนะใครพระพุทธเจ้าทาความเพียรยังไม่หมดนักบวชมาพรรษสาสงพรรมาทําความเพียรหมดกัแล้วทําไมถึงเก่งจูน นี่คือนี่เราคุดถูกใ้ความจริงความเพียรมันหมดไม่ได้เนะจะทําไปเจอความเพียรนั้นไม่หมดแต่เราขี้เกียดเนี่ยเดี๋ยวกว่ามีหมดความเพียรมันหมดที่เราไอ้ความเพียรมันมีอยู่นอย่างนี้นะครับก็เลยพูดก็แล้วก็ไม่คิจนะเาหยับลงไปหยับความจริงด้วยที่ที่ที่ไปเจอความเพียรหมดนะ อความจริงจริงก้าเราพิจาาดีๆลเลยความเพียรมันไม่หมดมันหมดไม่ได้เช่น ม, มันนั่งนั่งทำความสงบอยู่เดี๋ยวนี้เขาจะตีกรองอยู่ตรงนั้นถึงถึงถงเรานออไปนั่งไปเพราะกระนูดนี้ลำคาญที่จะเกิดความลางคาญเึ็นทาไมมันลำคาญเราหาความสงบตรงนี้มันมานั่งอยู่เนี่ยเขามาตีกอง หัทีนั่นก็ค่คิดกินมาจนมันลายเปนลานขึ้นมาานทไมมันถึงลานเรบอมันคิดิดมันถึงลำพานคิดผิดยังไงก็คิดว่าเสียงนั้นมันมันมากวนเรานีเาคิดผิดแล้วถ้าคิดผิดเกิดทุกข์เกิดลำานเกิดไม่พอใจเกินมาเป็นขี้ิบเกิมากองคือโลก โกรหลงเกิดขึ้นมาปัญหาอันนี้แก้ไม่ได้แต่พอเราตรงไปอยากหาความสงบมันไม่สงบแ่เพราะมีสิ่งที่มาควนครับอันนี้หลายภาษาหลายปีบางคนก็ตายไปยไม่ดูเรื่อง้าหากกี่เราทนต่อสู้กับเวทนานี่อยู่นานๆ น, น, นีอารมณ์เกิดขึ้นมาก็ต้องทีงานานมนีนี่ไอ้เสียงกลองที่เขาตนะีขึ้น่ะ ที่เราว่าเราลาคานะอันนี้เราคิดผิดคิดผิดทําไมเขี้น่าเสียงเห็นมากวนเรามันต้องอยู่ที่นี่นานๆครับอยู่ที่เน้นนานเพื่อให้มันเกิดปัญญาให้มันเกิดญาณเนนะี่ยทำมันไปตรงนั้นเนะี่ยไหนมันทุกอยู่ตรงนั้นเนะี่ยนานๆมันถึงจุดอีมันมันหนึ่งมันจะมีขอบู้อันหนึ่งพุ่ขึ้นมาว่าะ อย่ที่นี่ก็อะไม า, ยมายอยู่ที่นู้นก็มไแม า, ม า, มาเพราะอะไรมากวนเราเราจะ ท, ทะลุเพ่งหาที่อยู่ของเราเนี่ยอันนี้มันจะอยู่ที่ไหนมันจะไม่กวนนะมันจะคิดนึกไปนึกมาคิดไปคิดมาพิจารณาได้แต่จะโผลนะ่มาอืออันนี้เนาะไม่ใช่เขามากวนเราจะแล้วเนี่ยลองไปกวนเขานี่สับไมกลับแล้ว ที่มันกลับได้อันนี้เพราะมันลำคาญเพราะมันทุกข์เพราะมันอยากจะหาความสงบกลับนะมันมีเกิดปัญหาขึ้นมาในที่นี้่ที่มันที่ไม่ชอบใจอะที่มันทุกข์ที่มันลำคานเนี่ยไอ้สิ่งที่มันมีสงบมีความสุขมีความไม่ลำคาญมันก็เกิดขึ้นมาจากที่อันนั้นขึ้นมาถ้าเรามีความเห็นว่าไม่ใช่ว่าเขามาควรเราจะแล้วมีมันเราไปควรเขาต่งหากแล้วพอเห็นเช่นนี้เท่านั้นเนี่ยครับ นะมันจะถอนตัวมันเองซะแล้วมันจะเลิกเลยครับมันเลิกครับไม่ต้องไปบังคับอะไรมันแล้มเห็นชัดมาเราเป็นเราเร า, เราไม่ไปกวนเขาที่เราเห็นมาเราเขามากวนเราค ว, ความเห็นผิดของเราคือปัญญายังไม่เจอแต่ว่าเห็นเช น, นี้เางนอ้ยเราไปกวนเขาถ้าหากว่าเราไปกวนเขาแล้วเราก็ทิ้งของทางนอกแล้วก็ดูทางในอย่าให้มันไปกวนมันคนละเรื่อง พอจิตมันรู้เช่นนี้แล้วครับมันก็วางของมันมันจะขบเสียงในต่างๆมันจะเกิดที่เตี่ที่มันจะสงบมันก็อยู่สบายมันก็สงบคำที่ว่าสงบนั่นไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ยินอะไรมันไม่ได้รู้อะไรอันนี้มันสงบเพราะมันได้ยินเพราะมันได้รู้ตามเป็นจริงของมันเกิดขึ้นมานี่ ทีนี่เราปล่อยด้วยจิตวิจิตคนเราปล่อยได้เอามาใช้มันตามเวลามันที่นิก็เราอยู่เป็นกลุ่มกันหาที่ความสงบตรงนี้พระอยู่นี่ในความสมบงบแต่คนจะมาโวยวายขึ้นตรงนี้ไม่ได้เราต้องบอกหยุดอย่ามาทํางานอยูนี้อย่ามาพูดแรงอรู่นี้อย่ามาร้องลัมําเพง็งอยู่ตรงนี้ต้องเอาของโลกมาใช้่ถ้าเราจะปล่อยไปมันจะเล่นอะไต่างๆนากันอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วครับอือย่างนั้น ถ้าว่าถึงที่มันจริงๆแนละ้วมันจะทําอะไรเมื่อเราจะต้องวางก็ต้องวางตามเดือนสถานที่มีคนทําอย่างนี้สถานที่ต้องคนทาอย่างนั้นวันนี้ควรทาอย่างนี้วันหน้าควรทาอย่างนั้นมันเป็นตัเหตุการณ์เราพิจารณาตรงนั้นคือเมื่อเราตั้งใจเราจะทําอันนี้อ่ามันจะร้องเพลงมันจะทำอะไรไม่เป็นทุกข์เระปล่อยนก็ไนะ อันนี้เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าของเราหรือสาวกพระพุทธเจ้าของเราที่ทสิ้นไปแล้วไอ้สิ่งที่มันมาลบกวนอะไรต่างๆภายนอกท่านกพยายามให้เราหนีคไปให้เราเป็นคนงูทุกคนเนีเ่ยไปไ ป, ป, ปสร้างควงมลาที่อืน่นตรงนี้ตรงนี้มันทนเหือไล่มีไปไล่ท่านยังสอนว้ให้เรามักน้อยให้เราสันโด้เนะให้เรายดีในของที่มีอยู่เนี่ย ตอนนี้ถึงท่านหมดภาระที่จะละที่จะบําเพ็ญแล้วท่านก็ยังห่วงพวกเราอยู่ท่านตรงนี้จากอย่ที่นี้ไปอยู่ที่โน้นนี้ไปในลักษณะทีว่าหนีไปเพื่อต่อสู้ไม่ใช่วันนี้ไปดูความแพ้ดีโง่หรือไม่สมบูรณ์นี้ไปเพื่อฝึกเพื่อความเป็นนะอย่างพระองท่านไปอยู่ป่าเหมือนกะันไม่ใช่ว่าสาันเบื่อในบ้านอะไรมากมาย ท่านไปหาความเพนะในป่าให้มันสงบคุกอยู่ในป่าคุกางที่สงบไม่จะหนีไปดุจมโนหนีไปดุจมฉราดนีไปดุจปัญญาเช่นพวกเราทาั้งหลายหนีโรคมาออกมาบวดหนีแสงหนีสีนีอะไรออกมามบางคนก็จะไปเกลียดแสงเกลียดสีเกินไปหนีไปเรื่อยไปอันนี้ก็ไม่เกิดไปอยู่ หนีไปเพื่อความแพ้เขาต้องหนีไปเพื่อความช น, นะตัว เ, เอาความรู้ในชีวิตมันเกิดขึ้นมาให้มันดูเรื่องอันนี้จนรคำว่ามันเป็นโดกวิทูอย่างพระพุทธเจ้า ส, สอนว่าให้รู้แจ้งซึ่งโลกเมื่อโรคนี้มันไม่แจ้งเมื่ไหร่เดินตรงขอบไปฝึกเดินตรงขอบไปเรียนแต่เหมือนเสื่ความ น, นะเนี่ยอย่างนี้บางคนอยบอกว่าออื้อออ น, น, น, น่มันเป็นอาจาจกิรมานิโยโค กลัวตื่นไปเข้าอยู่ในป่าหรือไปสันมืเดียวมันเหน็ดมันเหนื่อยอะไรต่างๆเนี่ยคนนั้นกระจักเจ็ว่าพูดอะไรมันขัดใจเราคนนึงว่าเป็นอัตตะหมดทั้งนั้นแหละแตเพราะเรามีชอบเพราะเราต่างตัวเขาอย่างนี้จะมีอัตตะกิรมรัฐานโยโคมันเป็นอย่างไรกามมาสกตามตามาสึนิการโยโค่เขาไม่มีใจกันไม่มีทางดีจาณ์เลย มันไปมีภากษ์วิจารณ์แต่อัตตะยิรมาถายอยู่ช้นมือเดียวอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่ออะไรนะมักน้อยชันโดยังนิพานนิพินอาตตะไปหมดผมเคยพูดว่าองัาากก้นท่านชันค่าจึงก็เกี่ยวค่าจดก็เป็นอาตาะยิรมาถายโยโคถึงนั้นเนะี่เขาสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับไม้น่ยมันเป็นประโยชน์เรื่อยมาได้ยังนิพานเป็นต้นอยู่างนั้นแต่มันเป็นต้นเป็นปลายอย่างนั้นแหะจะมาสร้างบ้านหลังหนึ่งจะมาทําอะไรหลังหนึ่งนะ ถ้าต้องมาตัดมารอนมาเรื่อยมาทําไม่มาสัตว์ในสวนด้วยความยุ่งยากลำบากทั้งนั้ น, นยอย่างนั้นมันก็เป็นอัตตาคิรมาทายอยู่ัวก็ไม่ต้องทำอะไรกันทั้งนี้เขาถอมไม้ตัว น, นี้เขาเรื่อยไม้ตัว น, นี้เขาใส่ใส่ขอบกระดานนี่แหละจุดหมายก็เพื่ออะไรเขาจะเอามาสร้างบ้า น, น, นมันเป็นที่อยู่นั่นอันนี้คือการกระทําทมันเป็นเหตุอยู่แล้ว มันเป็นเหตุก็เป็นเรื่องธรรมดาซองนลกเห็นว่ามันเป็นเหตุกันเมื่อมันมีเหตุเป็นมีผลมันจะเกิดขึสิ่งๆนั้นหนึ่นงจุดจุดฝายที่สร้างบ้านทีน่เราจะได้อยู่เพราะคนก็ต้องได้อ ย, ย, อยู่เลยดับได้นอนได้มีอาศัยที่อยู่ที่อาศัยเป็นธรรมดาอยู่ยิ่งที่มีปัญญาปตะจัเป็นนั้นจะหากว่าคนเราไม่ยอมปฏิบัติแล้วก็คิดสิ่งๆนั้นแต่นั่นสมัยนี้คนเรานี่ยนะ มันมีความรู้มากแต่ความดีน้อยเพราะอะไรเพราะว่ามันมันมันเห็นรู้ชั้นที่สองเท่านัมันเห็นรู้ชั้นที่หนึ่งเทนั้นนะชั้นที่งไม่เห็นรู้ชั้นที่สองที่สามไปมันก็เท่ากับมันไม่รู้นั่นแหละครับ mm hmm. ไม่รู้แค่นะั้นอืมฉะนั้นผมว่าพูดถึงส่วนพุทธศาสนานี่นะ ไอ้พวกเราทางนั้นสักันรศึกษาปริยัติทางไหนเดี๋นี้เนี่ยไม่เปนเนื้อแท่ดีๆอย่นี้นแจกก็ไม่เคยจะเพื่อนฟูในฟังทุกศาสนาหนี่งพูดอะไรคล่องทําอะไรก็คล่องแต่ว่าอืมตัวไม่ทําไม่ทําใส่ความจริงของมั น, นมันก็ไม่เกิดขึ้นมา ม, มันไม่ได้รู้คนั่นสมัยนัไม่รู้อทราบว่าอย่างท่านอย่างแก เนี่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นำเด็กปฏิบัติดีครับนเด็กปฏิบตัติี่ที่นี่ผู้ใหญ่ก็ไม่ทำคนรู้มาก็ไม่ทำก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยทั้งนี้เด็กๆขึ้นน้ำว่ายิ่งขี้เกียดมกากส้เตี้เราก็ถึงโทรมแสดงผมเคยพูดในพระเจ้าะสวง์ฟังเหมนะ ให้ท่านอยู่ในเมืองก็อยู่ไปอยู่ในป่าก็อยู่ไป ส, สันตินาฮะให้มันดูเรื่องสิ่งทางหลายต่อเนี้ยท่านจะรู้ข้าราชกนะโดยการปฏิบัติอือยู่ไม่มีน้อยมันมีความดูหลายๆก็ไม่อยู่ในป่าก็มีอยู่นวกใครมาเดียตัวเสืออืมไอ้โรคมาเดียวอยู่กรุงเท่นี่ เสีอยู่ในกองเสียมันเอะว่าเสียอยู่ป่านะมะนในป่ามาเลยนะฮะเนี่ยมีตวมกกว่าเอ้ยกอเสียป่าดยังไปดูมีป่าเสียตัดปาไหมแน่เสียกี่ตันบ้านเคยตะคุบไหมนั่นเสียในบ้านมันตะคุบเสียอในบ้านเยอะมีชิปมาก เข้าไปในปากตัวมันจะหิวตัวมันจะเหนื่อยตัวมันจะร้อนตัวสับตัวเสียไอความรออนอยู่นรเทียหนึ่งโอ้โหมันยิ่ร้อนใหญ่เนี่ยกองไฟายลัยมันในปากเนเสือี่เราปฏิบัติแล้วมันจะได้เห็ในแบ ล้้ือเดินไปทเูเด็กไปนู่นมาเมืองไทยกับไปอินเดียไปอินเดียกับไปลังตาไปลังตาแล้วก็ไปลาอโรคนี่จะไปรอบโลกโลกนี่มันรอบไม่ได้ในรูท่าโลกมันรอบโลกไม่ได้มมันก็เป็นี้อื่างนความ่ตอนจริงๆมันก็ ไม่ได้ค้นคว้าอะไรตัวอะไรที่จะอยู่ปาที่จะปฏิบัติจะมีปริญญาตัวนี้ก็เะ็นมากนะ ม, มากใยทํากันเรื่องสนุกสนานเป็นไปหลายอย่างเลยที่บอกอยู่จิปฏิบัติของเราจิตใจเราเมื่อมันเห็นชั ด, ดจิตใจอันหนึ่งปฏิบัติเรื่องแรกหูไม่ได้ยินตาไม่เห็นอันนี้สเุเป็นความสงบ การสงบสุขอย่างตมพลอมทัม้เรว่อสมาธิสงบสงบไเสียจะวุมมมมว่นวายอีกทุนของความวุ่นวายสงบสมาธินี่คือทุนของความวุ่นวายมีสมบงบเพราะตาเราไม่เห็นหูเราไม่ได้ยนินสมบงบแค่นี้ เป็นเหตุนในพข้าดูมตัวก็นันอยู่องเดียวจะอยู่ป่าให้หนังน่งตาวันที่เข้าช้านสบายใจโน้ตเอไม่รู้ว่าสิ่งเดียดนี้เป็นยังไงกันไม่รู้จักเสืออืบางทีเมื่อมันเสืมม่อมเมื่อใดก็หายหมดใ้ความสังคมสีตาเราเห็นลูกหอเราเลยยินเสียงถ้เาเห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราเห็นโทษในสิน่งทางไหนเหล่านั่น ชื่อมันสงบแพ้เห็นอยู่ก็ลืมตาอยู่แตเห็นว่ามันเป็นภัยอยู่ตรงนั้นลืมตาขึ้นกับมันเป็นภัยอยู่ตรงนั้นนี่ใจเรามันจะสงบเพราะไฟบสิ่งที่ชอบใจเราเนี่ยมันมันกอบภัยเหมือนกันระวังถ้าสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดไม่เกิดเกิดเป็นเหมือนไม่ได้วุ่นวายอีกต่อไปอยู่แล้วอันนี้ให้พักการเข้าใจ พระพุทเจ้าจึงเรียวอย่าประมาทถ้าใครประมาทก็คือคนตายอืมคือคนตายนีกประมาทแล้วก็เหมือนคนตายแล้วอืมยมันเป็นเชอย่างนั้นทุกคนประมาทคือคนไม่รู้จักไม่ค่อยมีสติคนไม่มีคนไม่มีสติก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องกะอยู่จากการสังวรสังรวมไม่รู้จักการสังวรทังรวมก็ไม่รู้จักว่าอะไรมันผิดอะไรมันผูก อ, อ, อถ้าไม่ดูจากอะไรผิดอะไรถูกไม่ดูจากขอ้อปฏิบัติดก็กงงอยู่ถูกอารมณ์มางงวนไปตาแตกและวุ่นเนี่ยแต่เป็นเพราะอันนั้นแต่เป็นเพราะอันนี้เป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะอันนี้เพราะเรานี่ไม่มีมีแต่เพราะ อ, อย่างอื่ น, น, นแต่ ก, ก็ว อ, อย่างนี้แหละครับอืม มันจะต้องลงในรูปมันมีผู้ปฏิบัติต้อหลงในการปฏิบัตินี่แหละเป็นสนยย่วนใหญ่อย่างนั้นอุชาธรรมเถระดูให้รู้ถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วท่านทําอย่างไรมาผมทุกวันผมคิดว่าทุกวันในบุญเราหลายเนี่ยหลายอะไรครับโอวาทของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาหาความจริงได้ทุกวันมีความจริงเยอะไม่ได้คนควาหาอะไรยกจนะนั้นมาดูันนั้น จัดนังสือเรล่มนั้นขึ้นมาดูอ่านออกรู้เรื่องอันไี้มันถิดไม่ต้อทิ้งมันไปอันนี้มันถูกต้่จะเอาไว้สมัยที่พระพุทธเจ้าท่านออกปฏิวัติครั้งแรกเนี่ยใกล้ากล้ก็ว่าจับปลาในต่างทะเลใกล้ายลนกน้อยมันบินในบรรยากศไม่รู้จะคว่ำตรงไหนมาเป็นสิ่งเส้นสนใจมันคว่มีถูกครับเพิ่มไหมต้นใจมันมีอะไรช่วยมันเรียกว่าช่วยตัวเอง แบบนี้เรามีอะไรช่วยแล้วอืมถ้าลงในทะเลมันมีเรืออาศัยแล้วอืที่มันมีรูเร้เลยิตผลิตศึกษาและทุกคนผลิตศึกษาใน้คนดีคนเจะิญมันมีทุกอย่างมันมีทุกสิ่งก็จะรู้การในการอยู่แบบของเราถ้ารวมยอดของมันแดีวมันก็ไม่รู้อะไรครับแับ น, นี้ วันนี้ตาชาคารโอจะเกลียดผมก็เอออันนี้จังแน่ๆวันนี้ชาคโรโจะจะรักของวันนี้ชาคโรโก็ต้องสอนจากของมันยี่ไม่แน่นี่เท่านี้มันกำหมดแล้วครับฆ่ามันไว้ฮะฆ่ามันไว้ฆ่ามันไวเล็กๆียงแค่กระตุ้นน้อยนี่มันจะรักที่มาตัดอย่านานๆนะตัดเทวันนะถ้านานๆมันถ้ามันนานในตัดนก็เป็นปาาใหญ่เหมือนกันนะมันโผล่มาตัด โชวคุณมาสัตว์โชวคุณมาสัตว์ต้องใจงั้นเปลวกที่กติของหัวเนี่ยอยู่ตรงนั่นแต่ไม่ตอนเนี่ยตรงนี้เวปลือกไม่มีอ่ะไม่มีกติมันขึ้นเราสร้างกติไป่พูกมมันเคยมนขึ้นมาขึ้นขึ้นทุกวันทุกวันตอนช้าพบเอาไม้มาเขี่ยหมดตอนกลางคืนมันก็สร้างขึ้นมาอีกขึ้นมาถึงนี้อีกต้จงไปเขี่ย มันสร้างขึ้นเรารื้อ อ, อกอย่าเผ่อนะเผลอมันขึ้ น, นกนะินโดนสติหมดนะคงจะทามันนี่ปฏิบัติเพราะ่าไอความเพียของมามกมันจะกปลี่ยนทรายโอมันเอาเป็นเดือนเดือนกันนะบางทีเราเอามันขึ้นมาตรงนู้ต ก, ก็ได้นะเคลียออตอนเช้ามาออกไปตั้งใจตรงนี้แนหะเียออกนั่นก็ขึ้นมาตรงนี้เคียออกหลอมันกำลังคารแบบนะี้กันนะ นทําอะไรขึ้นบัวใหนี่จะคนมารื้อมาถอนถึงนัะนหนังเหนียวสิ่งนี้เลยสัตว์นุ่งตัวนี้นี่โลกนี่ผมเคยทดลองเลยนี่ก็เป็นบทภาวนาเราสมันกันเช่นนั้นแต่ทําได้ขีดเดียวก็เกิดมาพยายามฆ่ามันข่มมันด้วยในความตามใจมีทางตามกําลังมันด้วยทุกวันทุกวันนะมีความเกียดข้าศ์ก็ดีความทุกข์ก็ดีถ้าเราฆ่ามันข่มมันได้นะมันก็มันก็หมดที่พึ่งเหมือนกัน มันมาเกาะได้ไม่ได้แล้วปัดมันอกไปเช่ไหมเนี่ยมาเอาความสูงแล้วก็ปัดโกไปใช่ไหมสุวันซึ่งเกิดเป็นมิตรใสครับเกิดเป็นมิตใสเติดเป็นมิตรใสไปสร้างขึ้นสร้างขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์คร <c oughs> ับอืสร <c oughs> ้างอย่างนี้มันต่อมามันจะพอกเต็มเต็มเต็มเร็มอะไรเอาไตางเต็ตัวก็เหมือนการถ้าเราปล่อยมันปล่อยสุวรรทั้งหมดขึ้นตรงโนนเลยอธิการไปวันอันนี้งานสิเดตก็เหมือนกัน กิเลสตรงนั้นปลวกกันเลยประโยชน์สิโตขึ้นมาโตมามากทันเทววุิหมดายเยอะนครับเพียรไปข้นไหนมากระวังต่ย่งให้สร้างปัญญาขึ้นจิเลสหนึ่งก็ปัญญาทันมันจะอยู่เท่านั้นนี่ยปัญญาเราก็ยิ่งมันเด็วกวิกิเลสอยู่แล้วสร้างปัญญาให้เดียเป็นอาวุธต่อสู้เป็นธรรมวุธ ในใจของเจ้าของทั้งนั้นเนี่ยครั้นนี้อนนืแต่พอเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นเจดิตอันนี้ไม่เป็นเจดิตพอรู้เท่านี้ก็ก็เห็นแง่ใจจะ ป, ปฏิบัติแล้วออนที่คนไม่รู้เลยว่าเออแล้วชอบใจยงั้นเราทําทอย่างนั้นมันสบายดีโออันนี้ไปนานเพียวอืมันทีเป็นตายในชีวิตตายชีวิตในดูเรื่องเราออกมาบวชนี่เราต้องการความสบายเราต้องการความสงบไม่ต้องให้ใครบังคับเรา เรา ic, рон, ladder, อยากอยู่แค er, ่อยู่ตามสบายปล่อยขนาดนี้หนักหนาหรือเกินเนี่ยหนักไปวัดนี่ก็ไม่มีใครช่วยได้ปูดไม่ได้คงไ่เชื่อไปถึงนั้นอ่ะยิ่งไฟก็นใหญ่นี่มันเป็นหลายแบบมันมีการเปกว่ามันปวดลายมันมีสยนะครับขึ้นได้ใหญ่เวลาสาธิกาตาอาลมาทุกขาสตีเรียเขาจะีได้ใหญ่อนทุกขา ถ้าเราไม่รู้เรื่องมันได้ก็ไม่รู้ภาษามันยากไม่รู้ภาษามั น, มนอค่ขโลเห็นเคยเห็นเสือไหมเสืออยู่ในบ้านเสือในบ้านเคยเห็นมเสือในบ้านเออเสือม่เคยเจอในป่าเจอในบ้านเห็นไหมเวียตุเ ว, วเียั <laughs> นน่นมันไล่นะเออระวังม เขี่มันยาวเล็บมันแหลมนีระวังอยู่เสือตัวผู้อยู่ใครเห็นอะไรเขี่ยมันมแหลเสือตัวเมียไม่ได้แล้วเล็บมันคมเขี่ยวมันแหลมถ้าใครเห็นเสืออยู่ในบ้านดังตัวร์ถ้าขาวเห็นเสือยังไงเออเผื่อเผื่อ <พ uka>นั่นแล้วมัินสืบเสือกกินตายด้วยอย่างนี้ไงเสือจะคูบกินเรื่อยๆต่อไปนี้หยุดการเที่ยวก็ได้เราไป ด, ไดูหลายๆแห่งครอบัวเนี่ยบวชทีแบบดูแต่เท่านั้นเอืง ตอนนั้นเนี่ยต่อไปมีตั้งใจที่ไหนมีครูมีอาจารย์ช่วยแนะนำเราได้แนะนําำสอนอยู่ไปพอสบายสบายสุขสไม่ต้องหาอะไรมันมากแล้วที่อยู่ที่อาศัยก็ต้ไม่หามันนิดมนวนลอะไรแล้วอาหารการกบการจันทรให้มันอยู่ได้เท่านั้นแหละอืมที่ไหนอยู่งั้นจะไม่หาสิ่งสบายแล้วอืมเพรา้ที่ไหนจะพอตามความเห็นนี้มันถูกต้องได้ในการปฏิบัติเรียนอยู่ตรงนั้นก็ยนดีนะตรงนั้น ยิ่งมีเวียนหัวทางที่สองด้วยปฏิบัมันมันมันมันจะไปหาที่ไหนมันก็ไม่เจอเราปริบัตินี่ตัวปฏิเดียดนี้อยู่ข้างนอกไม่อยู่ตรงนูนตัวที่มันนําเราไปนี่คือตัวปฏิเดีย่ใหญ่เลยตัวมันเป็นหัวหน้าเรานําเที่ยวนี่แหละตัวปฏิเดียดใหญม่มันบอกไปดูนั้นมี น, นูน่นเ้ี๋ไปดูจังหวัดนั้นเดี๋ยวไปดูที่ตรงนั้นแดี๋ยวไปดูที่ตรงนี้อ่ ไปดูในเขาแล้วเถอะปฏิบัติในเขาเนยเงียบดีในถ้ำถ้าจะเชื่อในถ้ำาก็ไปเห็นถ้ำอยู่คนเดียวได้ด้วยชัดชัวร์ใช่ยมเคยมีพรามาจำมันจาไหมาที่นี่ถามมีครับสบายไหมยระเขาบอกว่าปล่าวครับ มาจำภาษาที่นี่เรบจะไม่รอดภาษานะบางทีก็ตายในภาษานะี่เยอะแยะอามาอยู่ซะ้นี่เเป็นขไข่เมื่อเดืนไปซะแล้วยังนี่กลัวเนี่ยมันบอกให้ไปแลวไปที่ที่อยู่ไม่ให้กลัวอีกคนอื่นตายมันกลัวนี่ทางนี้อื ม, อมนี่มาอยู่นี่เคยเป็นขไข่ไหมโอ้ขไข่ไข่ไข่จะรอดภาษาทำมีสักค น, นยอยู่ไหนนะ ท่านจะอยู่ก็อยู่แต่ผมผมก็ไม่อยู่เราคงจะไปแล้วก็จะไปบาดเจ็บกันหมดแล้วเรืถ้าอยู่ในเมืองเราบอกว่าไปอยู่ในป่านอยู่ป่าก็อยู <forgive life> <night> ่ในถ้ำถ้าไปอยู่ในป่านี่ทา้งครัวมาในเรือีกนั่นมีที่อยู่เลยต้ก็เดินสะพายบาดเดินตลอดเวลาจะไปโน่นไปนี่ไปนี่แต่ไปโน่นเรื่อยหาที่ปฏิบัติยังไม่ได้ปฏิบัติเลย คือเราไม่รู้จกที่ปฏิบัติแบบนีนน้มันจะไ้ทาให้ตาไฟบาทไปนี่สำ น, นักนั่สนสำนักนี่เขาลูกนั่นลูกนี่พอไปนั่งคุกท่านแมมคือท่าจังหวัดเดยเห็นท่าหนึ่งนะ น, น, นี่เดี๋ยวเพิ่เลยอ๋ออยู่แล้วเราจะอยู่ที่นี่ก็อยู่กับเราอยู่แต่ยอมไปเรื่อย ไปอยู่ที่นั่นหนูน้ำก็อยากจะอดในชนิดหนึ่งอาหารกต้องไปมากมันบ้านมังไกลไปอยู่สักอาทิตย์หนึ่งก็มีคนหนึ่งอโอ้ยท่านจะมาอยู่อะไรทำอนี้่ะมันหนักมากทำภูเขาลุ่มอยู่สวายยิ่ตัวนี้เได้คิดอีกก่อาเดิมทามีอยื่ไปอีกแล้วแต่ไฟบาดไปเดือมันก็ไปกันยัางนี้่ะอารมณ์นะ กกหกเราไปเรื่อยคนที่สุดจะมานั่งออในป่าเราก็เคยไปอยู่ในถ้ำเราก็เคยไปอยู่อดข้าวหกวันเจดวันเราก็เคยอดทำอะไรล้วก็เคยทำมาแล้วไม่เห็นไหนอะไรเหนื่นยอยกระเป่าสิบเป็นสิบเอเปิลดีกว่านม่แม่สิบดีกว่า แ้วงไปทางอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยอย่างนี้เอาสิประสุกสิเดี๋ยวมันต่องอาศัยใครทําสวนกินดีผัวไม่ต้องเหียดเวี่ยงใช้เอาละถูกวะก็ไปันอีกเนี่ยจะถูกยึดที่นั่นไปทํางานทําสวนเนี่เบื่อยอยู่แล้วเนอ่ยหยุดไงไม่มีเวลาเนี่ยที่ต้องไปอย่างนั้นอย่างนั้นดีนะครับบวชเป็นคระล้วเห็นว่าลําบากสินมากภาษาเนี่ยยาก ไเหียเดเยนเนนเขาเป็นเนีนดีกว่าเน้นปลูกผักกินก็ได้ทําอะไรกินก็ได้เนี่ยคือ่นั่นมีความมีต้องอาศัยนะคือไปจะเนียนคือไปจะเนียนนี่ก็ทําสวนกินก็ได้เย็นในป่าในเข า, เาเอะไรคิดไปทีนี้ก็ยังอาศัยโยมก็อยู่นะมีก็ลําบากยังเก็บตตางไม่ได้อีก ฝึกเป็นเรียนดีกว่าให้มันจิตตะตางไว้ทําสวนทําอะไรที่มีสตางฝากธนาคารสบายกว่า น, นี้อีกนะฝึกเป็นหุงข้าวดีกว่า เ, เป็นลุงข่าวแล้วที่นี่ก็อยู่ไปก็คิดไปอมันยังกินข่าวอยูมันก็ลำบากเลยว่าน้นเนี่ย กินยาเมื่อฟวายนี่ใสจะสบายมากทีเดียวนะวันนี้มันตอนเราวมันตอนกินข้าวมันกินใบไม้ใครเอาสบายเอาข้าวแค่ห้เอาเนื้อเอาปลาเอาใจอะไรบางอย่างแบบมันจะเบาเอะกินใบไม้ครับกินใบไม้กินผักกินอะไรในป่าอืมคนก็คือจะเลยตายนอืม ไม่ใช่ปฏิบัติขึ้นไปทั้มดปฏิบัติอย้งหมดนี่ถอยถอยถอยทมนี้ไอปัญญาในเวรานั้นต้นก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้มันไปดีอยู่ที่ไหนสมบัติที่ไหนแต่เราเป็นลู้สิษย์พระพุทธเจ้านี่นท่านกระโวดเป็นพระรักษาธิินอย่างเรานี่ท่านยังทําอยู่ท่าเราจะยอมเป็นสูกศิษย์ของท่านได้ทำอย่างท่านนี้ร่ยจะอยู่ไปทําไมเนี่ยที่จะถอยถอยไปหาที่มันสบายสบายสบายสบายสบายดนีย ไอ้ความผิดอย่างนี้คิดผิดๆตองโลกนี้มันก็ยังไม่เห็นครับเมื่อเวลามันไม่มีปัญญามันปิดมันมีธรรมชาติมันปีดบังไว้ในเหตุนในจนถ อ, ถ, อ ถ, อถอยถอยถอยถอยเลยหมดจบถึงสารวาตัตตายคาตะลึกลับปัญญาไม่เจอนั่นนไม่รู้มันอยู่ที่ไหนสติไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนปัญญาก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ที่ไหนไม่มีใครไปเดือดกันมาเลยไม่รู้อย่างเนี้ย ถ้าคนจนเนี่มันจนหมดทุกอย่างจนข้าวจนจนเงินไจนจนบ้านอยู่โคจนมันจนทุกอย่างถ้ามาถามจนปัญญาก็จนหมดทุกอย่างเลยทั่สั้นทำเทียนมาไม่ก่อนทำมาๆนี่สุดดีกว่าจะเอามียดีกว่าจะจริงเขายืนดีกว่ามีก็อยู่นี้เะี่ เนี่ยมันไปรูปนีไปไง่ายๆครับถ้ามันถ้ามันขาดเครื่องคุ้มครองของมันขาดสมาธิขาดปัญญาขาดความเชื่นขาดทมดทุกอย่างอย่างนี้มันจะเป็นไปแต่ว่าเมื่อพระเนรอยากจะซื้อผมก็ให้ซื้อืมบอาคิดดีเลยหรือคิดถูกเลยหรือจะคิดยดัอืม อันนี้ก็เป็นเด็กสบอกเกิดคิดไม่ได้ไปคิดอีกทีหนึ่งคิดต้งงงกับควาอยู่ไปตลอดเนี่ย้างงงจับไปคิดอะไรก็ไม่ได้ไปบางคนอ้าวหนึ่งวาสนาต่อสิ้นท่านทีห้าครบแล้วก็ทมกคนก็เหนื่อยมามีคบเทาเนาะอยู่ทีห้ามีสับเท่าระยะปติสมาธิสมบูจท่าเท่า้งหมดบางคนภาษาอารีย์วาสนา ไม่รู้จักไม่รูจักหาปเนว่าุพะยาขรีลียงดได้หรือไมอาซาอวันขาดอินระนั่นกจะซนักตไลเนื้อจของซีนักสะไลเนื้อมือนกันซือนักตะไลเนื้อมั้งกันอยู่วัดเกอเออ อนนี้เขามาฝึกที่หลายปีแล้วฝึกซะต่อมาครั้งแรกเออ่ก็มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่สักคราวแล้วก็ให้เขไปอยู่ตรงโน้นมาแรายงานที่นี่แล้วเขไปอยู่ที่นี้นพอมันเที่ยงที่อยู่แล้วก็ส่งมาตามสาขาเพื่อจะสาขาต่างๆออกไปตามสาขาต่างๆอืมอย่างนั้นก็อมาอยู่ไปด้วยกัน เราฝึากการพระธรรมดีนายที่เราเรียนเรารู้กันนั่นแหละเนี่ยเอามาที่ไหนหรอกเขาเอามาจากนักสังเกตนะคำโทษนรคำเอกที่เราใสที่ถงที่เราเรียนกันนี่แหละอืมแต่สมัยนี้คำชี้ทั้งหลายลนี่มันอาพับไปแล้วไม่มีใครเออกมาใช้ออกมาใช้แต่พระความเห็นของเจ้าของพระดีนายจะมีพระธรรมพระอะไรจะมีมดเสื่องปฏิบัติมีอยู่ไม่ใช่วงมาขาดไปที่ไหน แต่เราก็เรียนกันอยู่ตาดีตาขวางอยู่อย่างงั้นเนี่ยแต่เรียนได้วไม่ได้เอามาใช้ใชอันนี้หลองพ่อคิดว่าท่านปฏิบัติมาจากไหนก็มาจากที่จากเราเรียนไปเนี่ยพอเราเรียนรู้อยู่แต่ไม่เอานั้นมาใช้มันมีเรื่องเท่านี้แหละครับต้องเอามาใช้ดีๆจิตไม่ต้องเอาอะไรมาหอกทำมันไม่น่าครอปฏิบัติของเราเนี่ย มาทำให้มันจริงเท่านั้นเนี่ยมีเราไปมัวอย่างอืน่นกันเช่ไหไอ้ที่เราเรียนที่มันถูกต้องเนี่ยหินสมาธิปัญญาใครพูดก็คล่องคล่องคล่องทั้งนั้นเลยแต่ไม่ทําให้มีในใจเรานี่ครับมันจะเกิดประโยชน์อะไรไปพูดในเรื่องยืนผมว่าพิจารณาแหละผมไม่ได้มาที่ไหนครับครับไม่ได้มาที่ไหนดอกเรื่องพุทธศาสนาเ น, นี่ยสักวันมันยิ่งมีหลายดัชชีครับ ไปตรงนั้ทำอย่างนี้ไปอย่างนี้ตรงนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในธรรมะแล้วนะครับมันจะสับสนกันเท่าไรจะช่างมาเดอะมันไม่ลงหรอกถ้าเรารู้จักว่ามังคุด จ, จ, จ, จ, จ, จ, จ, จ, จ, จริงรู้จักเงาะจริงรู้จักลำไยจริงรู้จักในนาจริงรู้จักขนมําไมจริงจริงทุกอย่างละ่ะเอามาเทเศรกรจ่าเดียวกันเถอะให้มันเละให้มันพระแล้วก็เถอครับอืม แตน้ำเ่ยนเป็นกระจาเดียวนะฮะแล้วให้เราจะหยิบลำใดที่ไหนก็จับ ม, มาก็ได้อืมมอมันเหาะอยู่ที่ไหนก็จับได้ครับอือที่ไหนที่ไหนได้เท่านั้นแหะมันเป็นสัจธรรมจังวันนี่ครับใครจะสอนไปที่ไหนก็ช่างเถอะถ้าถ้าเราเข้าใจในธรรมเนี่ยผมว่าไม่สะเทือนเนี่ยถ้าเรารู้แน่นอนเลครับไม่ต้องสงสัยแลอืออันห น, นึ่งมันเป็นเรื่องกะทิอันห น, นึ่งมันเป็นเรื่องสัจธรรม ถ้าที่จะทำอย่างนั้นจะทำอย่าเ น, นี้ยิ่งลูกหลานในพระดิวัตคเน่อยจังวันนี่นะขนาดที่รียกว่าอารมณ์ของสรรมฐานตัวนี้กระเถียนกันตาลีต า, าสว่างแล้ว น, นี่นั่นไหวยุคเนาะนี่ว่าทองเนาะเนาพุทโธนี่ว่าธรโมอะไรต่งางๆแล้วนี่ยค่ะซํานาอัลลาฮั่งทะเลียงกันไม่รู้เรื่องไม่ดูเราก็เพราะคนไม่รู้เรื่องความเป็นจริงมันแหละมาสิ่งชุกสิ่งทุกชุงนี่ก็ไปดวงกันตรงไห น, นอืม ทุกจริงทุกจ ร, ริงคือเราหยิบดัตทอันนี้มาเราก็ไปเถ ท, ทกันใช่ไหมไม่เถือทิกันแต่ไปเถือกันใช่ไหมพจะอง์ท่าเรียนโน้ทุกอย่างแต่ว่าให้ด้จักส่วนจบอันนี้มันจบตรงไหนกันอันนั้นมันเป็นคพูดของคนนะครับมันเป็นคำพูดของคนพูดงคนมันรีบได้อย่างคล้ายๆอาภัยเนี่ยอย่างสุนักอย่างนี้มันไม่ตายตัว เ็ อ, อ่างหมาก็ได้นี่เป็นอะไรอย่างนี้นะแล้วจะไปถือมันต่าหมาว่าคุอน็ออย่างนี้ครับอืมไ อ, ไอความจริงมันตรงที่ของมันอยู่อย่างนั้นแหละครับถ้าเราเข้าใจในส่วนนี้แต่ก็ไปที่ในใบไม้ถึงอะไรตรงนี้ต้อง ร, รวมติดีกันอืดังที่ต้องไปปฏิบัติหมายถึงจุดอื่นต่างๆกันเั่ว ในไปในกลุ่มนี้ก็พูดถึงแนะนำเขาอย่างนั้นในกลุ่มนั่นก็แนะนำเขาอย่างนั่นแนะนำเขาไอ้คนดุ่นหลังก็ไม่รู้จะอะไรนะคนภวนาพุทโธก็ยึดมัน่นนมันขังต่อไปคนอนาปัจติก็ขังต่อไปสัมมาระหังก็ขังต่อไปยุบเนาะพอน้องก็งขังกันไปนี่คือฉันถูกคุณผิดอย่างนี้เดือดไปเลยครับอันนี้มันไม่ใช่เป็นธรร ม, มะไม่ใช่เป็นธรร ม, มะ สมาธิเรียนแล้วกระจ้าเจ้าพูดว่าให้จดจําเรียนดังสือท่านให้จดจำมาสะอ่ า, านเนี่ยที่ได้แค่มันจดจําได้จ้าให้ปล่อยความยึดมั่นถือมันถึงม้การกระทํำดีอย่างเนี้ยผมเข้าใจว่าท่านก็ให้ทําดีละคนชัว่วให้ทําดีแต่ว่าดีนั่นน่ะถ้าเราจะยึดมันว่ามันดีจริงๆเนี่ยเราดีเราก็ผิดอยู่แลยวไม่ถูกอยู่แล้วไม่ดีอยู่แล้วเสียเนี่ยะ เออนั่นเราถูกอย่างเนี้ยเราก็พูดฟัง ไ, ได้แต่ว่าเมื่อมีคนอื่นว่าไม่ถูกยังไงเราก็ปล่อยทิ้ไปได้เนี่ยอือย่างนี้เข า, าว่าเราผิดเนี่ยเราเข้าใจว่าเราถูกแล้เราปล่อยมันทิ้งก็ได้อแต่ว่าให้ยึดตามความจดจำเสยให้เข้าใจว่าธรรมะมันจะรวมแห่งเดียวกันเท่านั้นไม่มีที่อื่นั ถ้าเรารู้จักต้นต้นปลายสาเหตุของธรรมะมีจุดหมายปลายทางอย่างแท้จริงแล้วผมว่าตกไม่คุมไหนก็ไม่หลงเอาเอาเงาะเอาลำไยเอาเอาไปขะกันในในกระจัดอันใดกันก็สั่งเลยครับเอาไปให้เราจะหยิบเอาลำไยก็ถูกเอาลำไยทั้งนั้นแหละหยิบเอาเงาะก็ถูกเงาะทั้งนั้นเลยไม่ไปถูลำไยหรอกถ้าเราปฏิบัติธรรมะจะไปไม่คุมไหนก็ช่างเยอะครับ จะให้เรารู้เรื่องความจริงของธรรมะที่ีไหนไม่ผิดนะครับอ่าไม่ผิดเพระมันมันมันเป็นเรื่องคล้ายๆแค่ที่ว่าเขตแห่งเสมาทุกวันนี้อืมเสมานี่ที่ไหนไม่มีเสมาไม่มีทาไทดูลักเจนะของสีมาอยู่ในน้ำมันจะมีครับอยู่ในฟ้ามันจะมีมาถึงที่นี้มันจะมีทาไรดูจัดและเจนะของมันมันก็เป็นสีมาได้อืมจุดความจริงนั่นครับมันจะผ่านไปตรงไหนนั่นก็ มันก็ยึดตัวมันไก้อยู่นั่นแหละมันมีความปิงอยู่ตลอดเวลาอืมฉะนั้นถ้าเรารู้เรื่องของธรรมะแล้วมันก็มันเลยไม่มีอะไรครับแต่ว่าท่านเรียนว่าท่านต้องยึดอต้องยึดมั่นต้องยึดยึดสีมยึดสมาธิยึดปัญญาเป็นหลักจะต้องท่านต้องยึดมั่นในความจริงจริงมันเป็นภาษาที่ทําพูดบย่างต้น จะต้องให้ยึดอันนั้นซะก่อนแต่ถ้าจะท่านจึงแบกไม้ท่อนี้อย่าวางมันเลยนะกแบกไปดิแบกไปก น, นานๆมันก็หนักเห็นไหมละ่ะหนักจะทำไงมันจะทับตายเอิญป ล, ล่อยนะมันละโยนมันทิ้งซะถ้โยนมันทิ้งไอคนที่จะถูกไปยินจะโยนมันทิ้งยังไงก็มาอยากจะทิ้งถ้าเราไม่ยึดอันนี้ เ, เราจะไปจะทำอะไร ถ้าราขึ้นไม่ท่อนนี้เราก็ไม่ได้ไม้เท่านั้นเนี่ยก็มีอะไรจะเกิดขึ้นไอ้อคนที่แบกไม้หนักๆคนดีบอกโยนทิ้งเขาว่าไม่เกิดประโยชน์มันจะเสียมากเขามาเห็นน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยจะแบกไปจนจะตายมันจะทักตัวตายใช่ไหมก็เลยอดทนไม่ได้ก็เลยจะโยนมันทิ้งพอโยนทิ้งมันก็ไม่หนักถ้าไม่นักความเบาก็เกิดขึ้นมาอืออันนี้มันได้อย่างเนี้ยมันได้เบานี่ครับ เยเมื่อเราจะไปยึดไปมั่นก็เรื่องว่าถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ได้ถ้าไม่แดกกันไปมันจะตายก็เรื่องว่าโยนทิ้งทีละมี่ก็ดีว่าถ้าพระพุทธเจ้าสอนในทิ้งให้ละในมีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นอคนแดกไม้หนักจากมานึกว่องเราจะโยนไม้ทิ้งแล้วมันจะไม่ได้อะไรอืคนแดกมันเป็นจะตายยิงๆมันจะภาพบแลไม่ไปโยนมันทิ้งไปนี่ต้องเกิดความเบาขึ้นมา นี่เราเคือมันได้ที่ระวังไปแล้วละอันนี้อความเบาด้วยความจะวามันเกิดขึ้นมาตรงนี้เมื่อความอยากต้องคุมเครือเข้าใจสิทิ์อยู่นั้นก็ไม่ไม่ไม่เห็นอะไรจะได้ต้องยึดอยู่อย่างนั้นแล้วถ้าเราด้จกกักรเสื่อนจริงอย่างนี้แล้วฮะก็ไม่มีอะไรจะศึกษามากอะไรครับก็ให้เขาไปศึกษาว่าอันนี้มันมันเป็นอยู่อย่างนั้นเท่านั้นแหละ อแต่ในโลกนี้มันก็มีอันเดียเท่านั้นครับมันไม่มีหลายอย่างมันมีหลายอย่างสองอย่างท่า<ะ>ทนั้นเราก็อยู่เท่านั้นอแล้วก็ะายตัะใจเท่านั้นก็มีสองถงนนถ้าเราจะสึกษรราอะไรทั้งทั้งหมดขนั้นนั้นไม่หมดหรอกจังจะเดินข้ามภูเขาลูงนี้จะเอารถเตเกอรมาเบิกให้มันเตียนจะหมดไม่ได้ครับ ไมได้ไม่ไ ด, ไ, ไ, ดไปบางทีตายก่อนแล้วมีวิธีเร่มหนึก็ตัดัดตัดตัดตเฉพาะเป็นช่องทะลุไปเลยก็ได้ข้ามวกเขาได้เหนี่นกันนี่โอกาสเช่นนี้มันมีแล้วก็เอาเช่นนี้การปฏิวัติธรรมะนี่ตรงนั้นแต่ถ้าเรามองเห็นธรรมะ ม, ามาันแล้วไปที่ไหนมันก็ไม่มีอะไรอือมอมันเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนแห่งธรรมอยู่ฉะ น, น, นั้นมันมีส่วนอยู่ เราไป ม, มองเห็นพวกแบบนี้แลหละสัรู้จักแล้วกับมันผิดถูกประพระกันอยู่ทางนั้นเ น, น, นี่ยควรไม่ควรมันปนเปื้อนอยู่ใทุกวันมีคนที่ถ้าไปปฏิบัติในถือดั้นถือมั่นถือถังถือนู่นถือ น, นี่เท่าน่ะอืมฉันนี่ถูกคุณนั่นผิดท่ดนอะไรไหมนั้นยิงดุยเดยนเนียยเ่ยเ่ยิงเข้าไปเยิงกอเบียนใหญ่เนี่ยไม่ว่าเราทูกเนี่ยจะไม่ในวาง พระพุ้ธเจากก้าสอนเรื่งรอ ง, งการปล่อยวางการปล่อยวางเนี่ยถ้าหากว่าผมว่าถูกท่านว่าผิดเขียงกันจบตรงไหนที่ไหนที่มันจบผมว่าถูกท่านว่าผิดเนี่ยอืถ้าหากว่าผมหรือทาอ่านปล่อยสักข้างหนึ่งแสดงว่าถูกแต่ถูกผิดก็ผิดแต่ปล่อยก็มีอะไรสู้กันแต่ว่าไปจ บ, บตรงไห น, น ผมจะถูกท่านก็ผิดผมจะถูกทัานก็ผิดผมจะถูกท่านก็ผิดจบตรงไหนครับไม่มีทางจบแล้วเนี่ย น, be นยี่คือความอยากมันต่อสายครับการเราละสร้างหนึ่งแล้วมันก็ไปการทฏิบัติตัมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับแท่านเพียงแคมีความละเอียดชี้เจนอะไรทุกอย่างทุกสิ่งคือมันมีในตัวมันถึงนั้นแหละเช่นเรื่องตัวอย่างง่ายๆนะเราจะไปสอบนักเรียน่สอบโรงเรียนไม่สอบมันคือ ก็จะมีปัญหาที่จะเขียนถามเรานั่นเป็นปัญหาเขจะเขียนนะเราก็เป็นคนตอบปัญหาในความจริงๆนั้นปัญหาในที่นั่นนะ่ะมันมีเฉรยทุกข้อไม่ใช่มันมันผิดใลนะปัญหาเนะครับมันเป็นปัญหานะ่ะแต่ว่าตัวของมัน น, น, ม, นมันมีเฉลยพร้อมอยู่ตรงนั้นถ้าใครไม่รู้ก็ไปเห็นแก่ปัญหาไม่มีเฉลยมันก็ได้ทุกข์ยากลำบากนี่ ถ้าคนไปรู้รู้ปัญหา น, นั้นมันก็มีเสียอยู่ทุกฟอืมันอยู่ในนั้นแหละครับอืมมันอยู่ในตรงนั้นคือมันหนักอยู่ตรงนี้มันก็จะเบาอยู่ตรงนี้มันเนื่อยอยู่ตรงนี้มันจะสวางอยู่ตรงนี้มันถึกอยู่ตรงนี้มันทุกข์อยู่ตรงนี้นกลบับกันเท่านั้นแหละครับไม่เคยจะไปโค่นหนาที่ไหนมันตกนอยู่ตรงนี้ทุกอย่าง น, นครับอืมแต่ก็าตรงนั้นเนี่ยพราพบใจเจ้าบอกให้เราปฏิบัติเอาเอง ทำไมทานึงบอกเนี่ยท่านท่าทำไมท่านจึบอกความเปนม็นทุกข์มาให้แจ้งเนทำไมท่านจึงไม่บอกพระนิพพานเนี่มันชัดแจ้งไอ้คนนี้มันบอกชัดเลยได้อืมไม่ใช่เป็นปัญหาอยู่ที่คนที่บอกมันเป็นปัญหาอยู่ที่คนจะฟังจะทํานี่ยแเพราะมันรู้อยู่ถึงนี้มันมรู้อยู่ที่นั้นผู้รับรู้อยู่ที่นั้นเลยคืมันแจ้งมาจากคนอื่นมันแจ้งจากที่นั้นจะองไปทําการปฏิบัติให้มันแจ้งอยู่ที่ตรงนั้นอันมีคนที่ช่วยเมื่ก็นําไปถึงแค่นี้ อัคจรูปตาขตารูปตาคตเป็นเป็นผู้บอกท่านท่านไม่พูดถึงแต่เป็นผู้ทําให้สาวธุชงหลายทําไมท่านถึงถึงสอนอย่างนั้นงั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ฉลาดนี่คือท่านฉลาดแล้วนี่คือท่านฉลาดเลยทุกอย่างท่านม่เห็นทางนอกไม่เห็นในตัวแยกสิ่งแลเป็นต้นมั่นก็สงสัยเยอะเรื่อยไปจปนวัดตังประพง์วันนี้เนี่ยถ้าท่านจะกรรลินออกไปวัดตั้งประพงศัท่านก็วาดภาพ เขาเล่าให้ฟังเข้าใจตามสัญญาทีนี้ก็กรู้จักเกิดควรู้ขึ้นมารี่นี่รู้อะไรรู้เพราะเขาบอกว่ามเป็นอย่างนั้นตอานะี้มันไม่แก้งีิครับมันมีมันมีธรรมช า, าติในจิตในนั้นจึงว่ารู้แต่ไ ม, ไม่ไม่ชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนแต่ปัญหาก็เกิดบ่อยครับมีมีคนมาอีกมาจากไหน มมาจากวัดตเ้วัดงตงมันจยังไงถามอยู่แล้วนะคนก่อนเ็าถามแล้วนึกบปดูแล้วคนที่หลังมากขถามอยู่วัดหงจะีแกงไเราฟังนกอยู่แล้วนะครับดูเหมานกแต่มันยังมีแก้งเหมือนกันถ้าอีกคนนึงมาอีกมาจากไหนฉันมาจากมาจากวัดหลวงก็พงศวัดงตงยังไงออ ทนที่ีอยู่ท่านจะถามไปจนตายก็ไม่รู้เรื่องว่าพระสัพงเป็นยังไงเมื่อวันนี้คุณท่านทั้งหลายเนี่ยมาพบวัดวันนี้เลวมาพบผมอีกวันนี้ปัญหาที่จะถามถึงผมเนี่ยว่าเป็นรูปร่องใบแก่ขนาดไหนวัดฏปวงเป็นอย่างไรปัญหาทั้งหลายเลยมันจะร่วมเยกเลยสับม่หม ด, ม, ห ม, ดมันแก้ปัญหาเพราะอะไรเพราะไราเข้ามาพูดเกี่ยกันเอง มาเห็นจารฐานที่มันปัญหาเป็นมุดไปก็ไม่มีอะไรมมุดมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้ทุกอย่างอ่ะแต่ละเรื่องธรรมะนั่นก็เป็นเรื่องอย่างนั้นเรื่องขี้แกล้งแกในเรื่องพิเเป็นเรื่องเสียงกันเสียงกันเห็นธรรมะเน่ยมันไม่เห็นนะครับมันยิ่งหลงใหญ่เลยไม่ใช่เสียงอืนจะแค่พูดจะจบลงไปใค่พูดจะจบลงไปไม่ใช่ธรรมะเสียงกันในมันดูเรื่องอการธรรมะแต่ส่วนนียู่ทุกปุ่ม ธรรมะไม่มีที่เสียงกันมีที่พูดเป็นฟังถวายแล้วก็ฟังฟังแล้วก็ยหน้าเองถ้ามันติดมันก็มีข้อปฏิบัติของมันอยู่ถ้ามันถูกมันก็มีข้อปฏิบัติของมันอยู่อย่าไปสงสัยว่าปัญหาข้อนี้เฉลยเหมือนยาไปสงสัยมันเด็มันมีเฉลยทุกข้ออะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเรทุกอย่างนั้นแหละครับไม่จะเกิดชอบไม่ชอบเกิดสุขเกิดทุกอะไรเป็นต้นนะครับ มันจะหมดปัญหาเองของมันเมื่อมันวกก็บไปเห็นในตัวมันเองครับมัน้เอง่ามันรู้เองความรู้เองรู้รอบมันรู้รอบมันจะรู้รอบของมันอันนี้แหละท่านทั้งหลายเป็นที่อยู่ของคนเราอย่างจริงจังจะไม่หวั่นไหวแท้ๆครับอันนี้อะไรกระชั่งมันเถอะมันจะปฏิบัติไม่ผิดไม่ผิด ปฏิบัติหมดผิดครับหมดผิดผมเคยพูดว่าเคยมาเลา่าที่นี่ท่านทำสมมติหรือท่านทํามีปัตจนาผมตอบทัานยากนีคือมีดเด่นหนึ่งผมยกขึ้นมาอย่างนี้ครับผมจะไปแยกคมกระสันนั่นออกไปได้ครับมันจะมีทั้งสารสังคมมันอยู่นั่นแหละผมเห็นอย่างนี้มันจะมีมีดเด่นมีดทังคมทั้งสารมีอยู่ เรื่องปฏิบัติอันนี้ท่านปฏิบัติการสมราธสมาสารยิปชะนาสมาสารผมตอบท่านไม่ยากก็รมัมีสองอย่างฝปนมันคขะกันอย่างนี้หนึ่ง <c oughs> มันจเจริญเป็นไปพร้อมกันอย่างนี้รากเหมือนเจริญต้นรำมันก็เจริญใบมันจะเจริญพร้อมกันมันจเจริญขึ้นที่ไหนทั้นั้นก็เป็นเรื่องมาสมาธิแล้วไปพูดเอาถึงอาการมันหมายถึงความสงบอความสงบขณะหนึ่งความสงบขปดอารมณ์อยู่ มันด้รู้เรื่องอะไรแนี้เพอเย็นในฝ่าในอารมณ์อารมณ์น้อยอยไฟน้อย ไ, อยไมันจะทิ้งอารมณ์อะไอันนี้จิตสงบได้แต่สงบเพราะอะไรพวามคิดเหียดยังไม่สูญในเวลานั้นมันหลบมันง้อทิฏฐยอย่างนี้พอกรรมาฐานตัวนี้จะดีดีดีดีดีดดีดยไ ป, ยๆๆๆๆไปอย่างนี้ลงความสงบตัวนี้ บางแห่งก็เข้าใจเพลินเกินไปแม้แต่สถานที่ไหนแล้ความสงบนี่อยู่ที่ในเนืน้อนีแหละนะอยู่ที่อีู่กัสงบได้อันนี้ถ้าทําได้ก็พูดพูดได้ก็ถูกดีทั้งนั้นแต่ว่ามันทาํายากลัชนาธิกรารเรียนใหม่นะหนังสือต้องทำตัวบรรจงทําตามแบบตามแผนมันจะก่อนมันคิดเกงไปได้ไม่ใช่ว่าอันนี้ในคนในชั้นโลกนะไม่ใช่ว่ามันเลือกได้ในใจของเรานพระพุทธรูปองเนี้ทยท่านจะไปบายมาได้เบิกเงินได้ ดเล่ไม่ใช่มาคิตนะมันอยากจะจาจะรู้จะทำอยู่มันก็ไม่ใช่มามันเล่ที่เดียวเลยแล้วก็ต้องดฏิบัติเหตุผลนั้นมี่มันควรไม่มีควรเนาะอันนี้เกิดขึ้นฟรอมในจิตที่ห้องให้ทราบบางทีเลยวมัก่าเห็นชัดคอวัดอันนั้นก็เลกของมันได้มันเปลี่ยนไปของมันอัจตริมารของมันมันมีอยู่อย่างนั้นอันนี้มันเป็นของของยากครับถ้าพูดถึงส่วนการประพฤติปฏิบัติที่มันมันมันเป็นมันของลีรับอยู่ ต่ว่าผมว่าอยู่ในปา่าจะอยู่ไปเถอะอย่าหลงปา่าอย่าไปเมาปา่าอยู่ในเมืองก็ท่านอยู่ไปเถ อ, ท, อท่านอย่าไปเมาในเมืองท่านเจอบไปสรงกับมีม น, นเถอ ะ, ท, ะท่านอย่าเมาท่านอย่าเมาสรงท่านอยู่วัดท่านก็อยู่เถอะแต่อย่าเมาวัดเป็นอย่างนี้ก็ความจริงมันเป็นอย่างนี้เอเอนั่นแหละนี่เป็นอย่างนี้ เ, เอเอเเนี่ให้เราเข้าใจกันให้เราเข้าใจกันตรงนี้ ให้เราเข้าใจ ก, รรนกันที่นี่ก็ดูเองทำเอาเองจะสำเร็จตรงไหนแล้วก็ต้องทำตรงนี้น<อ>เรื่องปฏิบัติเป็นเรื่องอย่างนี้ออือืมบางทีก็อืก็เรียกว่าไอ้ความรู้ซึ่งใดการใดมาปฏิบัติมาจากการแต่ตามทินั้นท<อ>ั้นว่าเราเป็นคารวาะเรามีเพื่อนคนห น, นึ่งนาะมีเพื่อ น, นหลายคนเราไปถึงได้วเขาโอ้โนะ เอาทอดปลามาให้เราบรีโภคเนี้คุณเอาปลามาผมไปตกเด็เดต อ, ดองนี้เนี่ยมันก็เลยมาทอดมากินีเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเออปลามันจะต้องไปตกเด็ดเอาไม่ทิ้งได้มาเนี่ยไปันหน้าอีกจะเยี่ยมเพื่อนขันหน้าอีกเขาแกงปลามาที่เนื้อมันจะไหนนี่ยฉันไปทอดแหวะเนี่ยตกใจเลยทาไมคนที่ไป ไปตกเด็ดเอาปลามากินได้ไอ้คนนี้ก็ไปทอดแหย่ทาไมมันเป็นทำไมไม่เหมือนกันอย่างนี้คือคนไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาเรื่องหามานั่นไม่เป็นปัญหาหล้วเขาให้ไปปลามากินทั้งนั่งกระพอกันแล้วเนี่ยพูดถึงชาวโลกเขาอย่างนี้ครับจะไปเข้าใจอ่ท่านไปตกเด็ดมาท่าใได้มาจากการตกเด็ดทั้่านกปลาตกเด็ดมาทอดแหย่มาท่าน่าใคไปทอดแหย่มาท่านไปซื้อมาท่านก็พเจริญไปซื้อมา เพราะท่านได้ไมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกานพรพิบัตเรื่องจิดใจครูบาอาจารย์บางทีท่านได้มาเพราะอนาปานสตินาอนาบัติธรรมนาบัติบางแห่งท่านไ ด, ได้ความรู้มาจากพุโทโธอืทโธบางสิ่งบางอย่างท่านมีคิดนารูบนามอันนี้มันขัดก <c oughs> ันกับความใจจิตใจมันก็สงบท่านสงบได้ยังไงเราไปเรียนท่านทางสอนอย่างนั้นให้เรา แม้แต่นคนไปเอาปลาแล้วเขาได้มายังไรเขาจะเอาอย่างนั้นมาพูดให้เราฟังเราอย่าไปยึดมั่นตรงนั้นดิปลานี่ยจะต้องไปตกเด็ดมานะปลาจะต้องไปทอดแห่มานะปลาจะต้องไปซื้อมานะปลาจะต้องไปสุ่มมานะอย่าไปยึดมั่นในการสุ่มในการตกเด็ดในการทอดแห่อิความหมายคือความจริงของมันได้ปลามาเป็นอาหารนั้นเนี่ยนะตรงนั้นแหะคือผลมันรวมอยู่แล้วอย่างนี้ การปฏิบัตินี่เหมือนกันครับมันกว้างขวางมากอย่างนี้โดยมากแต่คนเราก็ไปคิดเช่นแทกันไใช่ไหมโดยมากคนะทมันกระโด่งเป็นยากสำราอืมมันมันมันฉันก็ว่ามันเป็นปัจจิตังนั่นแหละครับไอ้ธรรม น, นี้นะมันเป็นปัจจิตังแท้จริงไอ้ความชั้าทั้งหลายในจิตของเราเนะี่ยใครจะเห็นกับเราแล้วไอ้ความสุขทั้งหลายอยู่ในตัวของเรานะ ในความบริสุทธิ์หรือความโกหกโนในตัวของเราเนี่ยใครจะมารู้กับเราใครจะมาเห็นกับเราถ้าเรามาเห็นกับเราใครจะมาแก้ให้เราล่ะเราก็เป็นขโมยด้วยไปอยู่นั่นแหละใครจะมาแก้ให้เรามันเป็นเรื่องของอย่างนี้ครับท่านเพงว่าให้ดูเจ้าของถึงมันรู้กับเจ้าของที่ขี่ผู้โตเอาตนเป็นพยานของตนไม่ใช่คนอื่นเป็นพยานมันชื่วเผลื่นเท่านั้นเนี่ยอืเอาเอาคนอนเป็นพยานนะไม่ถือมันก็เป็นพยานขึ้นมาได้หรอก ก า, ารที่ทำผิดกันจ้างกันมาก็ได้แล้วเป็นอย่างนี้ครับแต่ยังคองมจริงการธรรมานี่ไม่ไม่เป็นอะไรอย่างเราทําผิดแเราไปถูกอะไรหนึงเกิดขึ้นมาใช่ไหมอย่างเช่น ม, มองเห็นเหตุหไม่ได้มันเกิดขึ้นมาใจิตเขาจับติดตะดังเข้าไปฮะเราก็ไม่มีอะไรจะเสียไม่ได้ทำก็ก็าเห็นจิดให้โทษให้โทษตังตรงอะไสิดีกว่าอย่ง ก็คือพวกทั้งหลายที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมมีอะไรเรา้องวรอยู่ไปเนี่ยอือยี๋ยวไปตามป่าตามลกไปเรื่อยไปยังอบป่ า, า, ป า, า ก, ก็อยู่ป่ามักนกวอยู่ป่าทีนี้จะเริ่มมีความที่สู่นีิอยู่ปืาก็ดีแล้วฮะมันมันเป็นหน้าที่ของสมณะ ที่จะอยู่อย่างนี้โดยโตัวมันเองแต่ว่ารอยอ้อมันนั้นมันสุดแท้แต่ปัญญาของคนอยอมท่านจะให้เมาปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่ให้มันเมาหยุดไหลสให้มันมออกแค่ น, นี้แหละครับเลื่อนเลื่อนเนมันแล้วก็สบายอืสบายเลยงไง ไปอยู่ที่นู่นไม่มีใครมารบกวนเราไม่มีใครมาว่าเราไม่มีใครมามินทาเราตรงนั่นอยู่สบายแต่นั่งก็อย่าไปยึดมันเลยครับถ้าหากเราไปถูกที่เขามินทาเราเราจะสบายมไหครับรังสีเดี่ยเป็นตั้งไว้อย่างนั้นตัวนี้มันสบายเพรสบายเพรดะใจเราในอ า, ารมณ์ที่ถูกใจเนี่ยที่นี่ อีกบางอย่างบ้างแห่งบ้างขิดนั่นมันจะแย่ลงใช่มไม่ผูกใจเราเราจะสบายได้ไหมนี่มันเป็นของอิสระสันนิษวันนี้เราไม่มีโรคแล้วไม่เป็นไข้เราก็พูดกันได้สบายอีกพรุ่งนี้ระเดือนนี้เราเป็นไข้ร่างกายเกิดเวทนาสิ่งต่างๆต่างจิตอย่างเงี้ยตรงนั้นไม่จะทนไดนะ้ไหมตรงนั้นเป็นที่เราทํำมันเราไปต่อสู่ เี os, mm ่ยงไปมาต่อ hmm. สู้มันดืรานนั้นตาเราเราไม่รู้จักเรากระโลงมันไปเรื่อยตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้ไปตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้ไปตรงนี้ไม่สงบกว่านี้ถ้ามาอยู่ไปไม่จิตทุกข์ก็เห็นว่าทุกข์นั่นแหละไม่เกิดประโยชน์เราเห็นว่าทุกข์นั่นแหละมันมีประโยชน์อยู่แล้วมันเป็นทุกข์ประสาทถ้าเราไม่พบกับทุกข์ไม่ชู้กับทุกข์ไม่ดูเรื่องของทุกข์ เห็นทุกข์มากกว่าหนีด้วยสันเป็นทุกข์ที่เดียวไปนัน่นเป็นอย่างนี้แต่เกสุขบ้างไปพบทุกข์บ้างอย่างว่าเราไปพบอารมณ์ที่ไม่ดีนะเราคู่ไม่ได้นะอยู่ตรงนั้นมันจะเสียงนีมันแพ่มันก่อนครับนี้ไปนี้ไปเพื่อความชนะไม่ น, นี้ไปเพื่อความแพ้เพื่อไปแก้ไว้หนาะเพื่อะเดียนนะจะกลับต่อสู้กันอีกอยู่อย่างนี้น่ะครับอือททุกขี่้ไม ถ้าเราเห็นอันใดทุกอย่างแล้วเราเห็นเราเอามันเจยบมันมาฝังเช่ไหมเอามันมาฝังในที่ไม่ในเชี่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาหมดแล้วหมดแล้วธรรมะทั้งหลายจะจบอยู่ตรงนั้นเลไม่เคี่ยนเไม่เคี่ยงไม่ต้งเาดชะเขาไม่เคี่ยงสารเคี่ยงนี่หมดราคาหนิ <c oughs> เป็พระหมาดราคาหนิเนี่นะ หมดพิดหมดไทยแต่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเนี่อันนี้ทำให้เกิดปัญญาแน่นอนครับนี่นหะคือคือเห็นกระแสของปณิพานแท้เมื่อเห็นปุ๊บขึ้นมาปุ๊บ ม, มันมีปัญหาแย่ไปเลยมีปัญญาเกิดขึ้นตรงนั้นเลยอันนี้จังกุกผังนิจตาอันอนี้จังกุกผังนิจตาดีตรงนี้เราไม่ตัอ้งอะไรมันจะเป็นสวรรค์มันจะนพันมันจะเป็นอะไรมากก็จั่งมันจะสุขมันจะทุกข์อะไทุกอย่างเขาเอามาที่นหมดหม ด, หมดตรงนี้ครับ นี่ทีพระเราปฏิบัติที่ไม่หลงถ้ายึดจักนี้ไม่หลงตรงนี้เน่ยตันความหลงครับอื น, านนานไปแล้วก็พิจารณาไปมากกวไม่เห็นอะไรเห็นเใจมันเกิดมันดับเท่านั้นแหละเห็นใจดีจังสุขขังนาจาเท่านั้นเนี่ยแล้วอารมณ์สุขทุกข์ทั้งหลายต่อไปมันก็หมดราคาเท่านั้นือ ม, มันรวมหมดราคา แต่จะควอาตรไหนมาแล้วมันจะเกิดตระโยช์แต่สา ย, วย ค, ความยึดมัน่นหมายมัน่นมันก็หมดไปแั้วนั่นแตนน่ไหนจะมีจะทําอยู่ล้วนแต่ี่จะเกิดแล้วก็รับไปเกิดแล้วก็รับไปเท่านั้นจะไม่มีอะไรมากนี่คสิถ้าคุณมาถึงเส้นนี้ผมจะเยกมือตีหบเอาได้นะ <c oughs> นี่แหละศับหลักมันเนี่ยนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมยะแต่ผมว่ามันเท่าที่ผมปฏิจนามา ใน ไ, ได้เรียนมากมีได้รู้มากไม่ไอะไรมากอืด้วยมากผมอยู่ตามปากครับผมเปิดความรู้สึกอย่างนี้ถ응ึงแม่จะสอนพวกบุกิตพระหังพราจบปริญญาตรีเป็น โ, โทๆมาทีไหนผมต้องไปวิ่งตา ม, ง응 ม, มตามรู้ครับอืมผมก็พูดตามภาษาเก่าผมนี่แหลครับว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อยผู้ดีอย่างนี้จนกว่าไครใมันจะน้องไปเห็นอะไรกันอย่างนั้ม จะสบายในตรงวิธีนั้นวิธีนี้อันนี้มากมายใจซ้องครับเราพูดทยอยอีกนิดหนึ่งก็คเรียกว่าทำความอย่างนี้มันถูกต้องคือเป็นขอ่าอย่างนี้มันถูกต้อตงถ้ามนันถูกต้องแล้วมัน่อหมดบดการแก้ไขถ้าหมดการแก้ไขมันก็ไม่มีอะไรจะทำ ถ้ามมีอะไรพเดี๋ยวมันก็วางไว้เป็นเจ้าภาพธรรมะอย่างนี้ถ้าจะทำวันนี้เรายังขี้เกียนอยู่ก็ฝืนกวามี่เกียจแต่ทำมันนั่นแปลว่าเรารู้จัดธรรมะปฏิปการธรรมแต่เรายังไ่เป็นธรรมมันยังอดธรรมอยู่เนี่ยเออนะอย่างอันนี้มันมันมันผิดแต่ว่าไงให้เราต้นให้กลัวมันจะผิดอย่างนี้ เราจึงไม่ทําอันนี้มันก็ยังไม่บริสุทธิ์มันอยากจะทําอยู่เนี่ยจนเห็นว่าจริงล่านั้นมันไม่ใช่หน้าท <honestly> like oh ี่ของเราที่จะต้องทําแล้วไม่มีไม่มีการละและไม่มีการบาเพ็ญในข้อหน้าบิดามันก็หมดสภาพไปเท่านั้นแค่นี้ครับที่ว่าเขาขาดไปมันท้อทุกข์ทอมขาดไปที่ดวงอันตรงนั้นจะเรียกขี้มันว่าอะไรเรียกอะไรอื ห้จะเรียกให้จะอะไรบ้างถ้าจิตมันเป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าอะไรเรียกไปเจดสมุทันยคนเกิดเกิดคุณนาคนนี้จะตั้งชี่อมันว่านายฟกับนายขอตามใจเพราะมันไม่มีชื่ออะไรอยู่ตรงนั้นอย่างนี้อืมอันนี้รูปลักษณะปฏิบัติถ้าใครเดอในรูปนี้หนึ่โอ้อะ ม, มันอมืมันไม่ตายเพื่องเนาะ ไม่ตายแล้วมันไม่ตายกันนะแต่ว่าอยากจะมาอยู nah ่พระต่างถิมตางฐานมาอยู่เนุ่ผมกุศลวิญญาณแม้กรทั้งวิจายต่างๆเข่นธรรมยุทธ์อย่างนี้อยากจะมาอยู่กับผมผมก็ไม่ด้ มาท่านปฏิบัติทํอยางี้ไหมทำอย่างี้ไหมคืวาอาจารย์ะจมันต้งเหียดทันไหมถ้าใจมึงอย่ตงนี้จะอยู่ไปจะอยนีท่านจะต้องทอย่างนี้